แม่เที่ยงโยมอุปถักต์ไม่ยอมแม่ของหลวงตาและคุณแม่น้อมมีอายุมากขึ้นทําอาหารให้หลวงตาไม่ไหวแล้วแม่จึงทําแทนนับแต่นั้นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังติดเรื่องทํากับข้าวใส่บาตเสมอแม่รับหน้าที่ทําอาหารถวายหลวงตาทุกเช้ามานานหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่เลยเป็นที่รู้กันทั่วทั้งคารวาสทั้งพระวา่า ถ้าใครอยากถวายอาหารหลวงตาก็ให้ซื้อของสดของแห้งมาทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านกองไว้บ้างแขวนไว้บ้างแม่ทำอาหารโดยไม่ต้องมีรายการอาหารล่วงหน้าเพราะทุกคนรู้ว่าหลวงตาชอบฉันแกงอ่อมไว้อ่อนตาลก็มีใจตรงกันน้ำไว้อ่อนมาแขวนเต็มหน้าบ้านหลายกิโลอยู่แม่เป็นหลักดูแลเรื่องอาหารที่วัดโดยหลวงตาท่านเดินไปบอกพระที่ศาลาว่า วันนี้ให้หมึกทำกับข้าวเผื่อไว้ให้แขกที่จะมาพักที่วัดด้วยโดยเฉพาะคณะของคุณชวนสอนสงครามผู้ก่อตั้งโรงพิมพ์ชวนพิมพ์และเป็นลูกศิษย์เก่าแก่มักพาพนักงานทั้งโรงพิมพ์หลายสิบคนมาทอดกรถิน่นทอดผ้าป่าที่วัดบ่อยๆคุณชวนทำบุญมากท่านไม่ได้ทอดกรถินวัดเดียวท่านมาทอดทีละหลายวัดพาคณะมาพักที่วัดป่าบ้านตาดเป็นประจำหลวงตาท่านให้ความสำคัญมาก เพราะคุณชวนเป็นผู้พิมพ์หนังสือให้วัดในสมัยแรกๆเช่นประวัติท่านพระอาจารย์มั่นผู้ริทตตะเถระปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานแว่นสองธรรมแว่นดวงใจธรรมะชุดเตรียมพร้อมธรรมะคู่แข่งขันก้าวเดินตามหลักศาสนาธรรมหลักของใจและอื่นๆหนังสือเผยพระธรรมะของหลวงตาพิมพที่โรงพิมพ์ชวนพิมพโดยคุณชวนทั้งสิ้น คณะคุณชวนมากับคุณจำลองสวัสดิพงศ์นายช่างการรถไฟผู้ต้องเดินทางไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำทั่วประเทศและคุณเคยกับพระอาจารย์ทางสายวัดป่าหลายองค์หลายวัดในยุคหลังๆคณะมาทุกปีมาครั้งละ1 0 2ถึงคนมาถึงก็พักค้างหนึ่งคืนที่วัดและทอดพระป่าถวายท่านหลวงตาให้ความเชื่อถือและให้ความสาคัญมาก ท่านจะพูดอยู่เสมอว่าคุณชวนทำประโยชน์และมีบุญคุณกับวัดมากอีกคณะหนึ่งก็คือคณะของนายช่างพิพัฒลุสนันแห่งการรถไฟเช่นเดียวกับคุณจำลองเดินทางมาโดยรถไฟมีพณะท่านด็อกเตอร์เฉาณศีละวันองค์มนตรีร่วมมาด้วยมากัน 3-4 ถึงคนแต่ก่อนนี้บ้านนายช่างอยู่ตรงมักกสัตอนผมไปสอบเรียมทหารผมเคยอาศัยบ้านท่านอยู่ หมอเพ็ญศรีมักรานนลท่านก็มาวัดบ่อยต่อมาท่านไปดูแลคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําจนคุณแม่ชีแก้วท่านสิ้นคุณแม่ชีแก้วเป็นญาติกับท่านอาจารย์อินทวายท่านอาจารย์อินทวายนับถือแม่ชีแก้วอย่างสูงส่งดุดยมแม่แท้จริงปัจจุบันแม่ยังทําอาหารถวายหลวงตาทั้งในและนอกพรรษาวันละสองสหม้อทุกวันวันไหนที่พ่อแม่ครูอาจารย์เช่น ท่านอาจารย์อินถวายหลวงปู่เพียนหรือหลวงปู่บุญมีมากราบหลวงตาท่านจะซื้อของมาให้แม่ทำอาหารถวาย